ยังไม่พอดีคือยังมีความอยากอยู่มากก็เลยนวงเหนียวเอาไว้บอกว่าอย่าพึ่งเลยนะตอนนี้อยู่กันสองรูปเอาไว้ให้มีอุปถาห์มาแทนเธอก่อนถึงค่อยไปพระองเนียวอยู่หลายครั้งเพระาะนาคิตาที้งแรกก็ก็อยากจะไปให้ได้เพราะไฟนี่กําลังแรงแต่ว่าพอพระพุทธองค์เหนียวสหรือ3ครั้งในศึกก็ไม่อาจจะ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 มือจับแผนก็เกรงตัวเกรงแขนเกรงเพราะอยากจะขับเป็นไวๆก็ไม่มีทางที่จะขับได้แต่ถ้าเราทำใจสบายๆแล้วก็กายก็สบายด้วยจะไปตึงนะอย่าไปเกรง็งการขี่จักรยานก็จะเป็นเร็วแล้วพอเราเป็นแล้วนี่ก็รู้สึกว่าเออมันไม่ต้องเกร็งเลยเลยมันสบายนะขี่จักรยานนี่สบายไม่ต้องเกร็งเลยทั้งสิ้น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 แต่ไม่ได้แม้ว่าธรรมชาติหรือนิสัยของใจเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องอาศัยการฝึกปรืกปร้กล่อมเกลาด้วยการมาปฏิบัติอย่างนี้แหละทำซ้ำซ้ำ ซ, ำ ซ, กซากๆอย่าไปลาคาญอย่าไปรังเกียจความซ้ําเดิมมันไม่มีอะไรซ้ําหรอกมันเป็นของใหม่อยู่เสมอและถึงแม้จะไม่ใช่ของใหม่มันก็จําเป็นสําหรับ ก, การเรียนรู้การเรียนรู้นั้นต้องอาศัยการทําซ้ซําๆเรารู้จักภาษา ก็เพราะเราทำซ้ำๆโดยจากการเขียนกอขอกอกาทำซ้ำๆนะจนข้างมือเรานี่สามารถที่ตวัด ต, ตัวอักษรได้สวยงามตามใจอยากนะไม่เหมือนตัวอักษรเก่งกล้างสมัยที่ยังแค่อายุสองสาขวบต้องหมดเนี้อสายการทำซ้ำๆจนคุ้นเคยในะจเรานี่แหละนะเมื่อเราปฏิบัติให้มีสติรู้ตัวในกายและใจอยู่เสมอ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 จะทําให้สตินิวัยแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นต้องระลึกบ่อยๆนะระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเหมือนกับเราท่องสูตรคูณเหมือนกับเราท่องอักษยานไม่รู้สมัยนี้ท่องกันหรือเปล่าท่องสูตรคูณหม่ๆก็ท่องจะนึกนะว่า5้คูณเเป็นเท่าไหร่มันใช้เวลาแต่พอท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆนี่ลึกบ่อยๆนึกบ่อยๆนี่พอเอ็น5้คูณเก็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 ก็ไม่มีวันที่ศาลาหรือบ้านจะสะอาดได้ก็ต้องยอมนะบางคนบอกว่าอตอนแม่ปฏิบัติไม่เห็นฟุ้งซ่านเลยขณะ น, นี้แต่พอมาปฏิบัติมันฟุ่งเยอะแย ะ, แยะนั่นเพราะเรากาลังกวาดกวาดฝุ่นที่มันหมักห ม, มมอยู่บนพื้นศาลาหรือว่าพื้นบ้านที่หมักห ม, มมกันมานานก็ต้องยอมคนอยู่บ้างจะบ่นก็บ่นได้แต่อย่าบ่นนานกลับมาทํางานต่อ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 มันไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากก็คือไอใจของเราที่อยากจะให้มันเป็นมน่นเป็นนี่ต่างหากใจที่คาดหวังอยากจะให้เป็นอย่างโน่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละที่มันทําให้ยากแต่ถ้าไม่คาดหวังอะไรเกิดขึ้นก็รู้ก็เห็นเท่านั้นแหละมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมา